บที่มันต้องทําในรูปแบบแล้วเหยียดคิดในตัวกมลมเลยเนี้ยเด็กใตัวกลมทําสมาธิเนทํทำเแตบบึกอยู่ในรูปแบบแล้วก็หัดสังเกตสภาวะไปถ้าเราหัดสังเกตสภาวะทุกวันไม่ทอดทิ้งเนีเวลาเราอยู่ในชีวิตประจำวันก็สภาวะเกิดสติเกิดเร็ว ถ้าเราทิ้งการทําในรูปแบบคล้ายๆนักมวยนะไม่หัดซ้อมโชคอะเนี่ยก็จะขึ้นเลตีชคนะมันก็ง้างหมัดอยู่วั่นโชคไม่ออกสติมันก็ไม่ค่อยเกิดนั่นนักเลก็มันต้องอยู่ดีในตัวเองอย่างคนมาบวชเป็นพระนั้นจะมีข้อบัดนปฏิบัติเวลานี้ทํำนี้ไม่นานนี้ทําขี้เกียจไม่ได้เวลาอยู่บ้านไม่มีใครบังคับเราคุณำตัวเอง ถึงเวลานี้เป็นเวลาตาน น, นนะาทำทุกข์กมาทำได้เพาะว่าุข์กาวเจริงๆมันไม่ยากอะไรนะเราเลือกอารมณ์ที่มันทําได้อย่างบางคนทําความสงบลึกๆไม่ได้ก็ทําทความสงบขึ้นๆอย่างการที่เราไปคิดถึงธรรมะเรื่อยๆที่บ่อยๆให้ใจเ้าเคลียร์อยู่กับธรรมะมันก็ได้ความสงบุก เราคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆเอาคิดถึงทานที่เราทาคิดถึงสีที่เราทำนะเราใหกอาหารหมาอาหารแมวอะไรทุกทานเนะี่ยให้แล้วเรามีความสุขขึ้นนะมือความสุกรู้ว่ามีความสุขจิตใจมันได้ผ่อนคลายก็าทาได้ไม่ยากอะไรหรอก <c oughs> เราเกี๋ยวไปวาทภาพกรรมฐานกันหน้าตัวต้อทงทเลยเป็นทานเลยทำได้แล้วก็ เห็นคนยกมีดขึ้นชาร์จมิดไม่มากหรอกมันไม่ใช่งา่ายนะทาอย่างรู้ลมหายใจทีแรกก็รู้ตัวลมหายใจตัวลมหายใจเรีกว่าบริกรรมมิตรู้ลมหายใจไปัถไฟรถไฟมันจะเห็นลมหายใจได้เป็นแสงสว่างคือว่าอาหารมิตแล้วก็ใช้ตัวอาหารมิตเป็นอารมณ์แทนตัวลมหายใจเลยดูความสว่างของมั ไปดูไปเป็นรวมเป็นรวมเป็นดวงสว่างย่อได้กรยายได้เนี่ยเรื่องปฏิภาณยุทธิ์นยังไม่เกิดฌานเลยนะเนี่ยแค่นี้มันก็ไม่ค่อยดีนะบางสำนักก็เล่นวิธีขี้โกงหน่อยเอาสว่างไร้สองหน้าให้มันสว่างที่จริงทำไมมันสว่างรู้ไหมการทำจิตเป็นสมาธิแล้วทำไมมันสว่างทำไมมันรู้สึกว่าสว่าง มันมีงานวิจัยอะไรฝรั่งยังทำนะมันไป็เอาพวกรามาพิเบษมาฉีดสารกำมันตรังสีเข้าไป น, น, นิดนิดนะฉีดนิดเดียวนะฉีดเยอะเดีเป็นมเร็งตทีนี้เดียวเข้าเลือดแล้วก็ให้พวกรามาเข้าสมาธิไปแล้วก็ไปตรวจเลือดไปเร่อๆเช็คพขามากเวลาที่จิตรวมแล้วรามาบอก็าจิตสวามสบายอะไรนะเลือดมันาเลื้ยงสมองต้นนั่นสมองต้นที่เ็สมองของมนุษย์ เมองส่วนกลางของพวกอิเลทุกอ่าง้นอแกนสมองสมองของกัดหรือกล้ามเหตุนนที่อารมณ์ร้ายเรื่อยเรื่อองจกสมองส่วนนี้ไม่ได้ใช้งานยิ่งแก่ยิ่งร้ายมันคะ่อยฝึกไเนะยิ่งแก่ยิ่งผ่องใสสมองส่วนนี้ใช้บ่อยส่วนอื่นก็ใช้น้อยนะที่านี้งีนก็ออธิบายไดนะ้ไม่ใช่ลึกลับอนะไรทั้ง ไม่เป็นการเปลืก่ค <surf> ล <in'> <Yeah. S 3> ิปไปมีวม so ีานรอเา่งนี้นาทงนาทีดูเอน่เายาัีนกับ เรื่อเราต้องสอบทุกวันเงี้ยมันจะได้รู้ซึ่งมันองถ้าจงใจรู้มันจะเล่นเล่นไม่สบายเออยังไม่ใช่ได้แค่จงใจไปก่อนว่าอู้ทีหลังอย่างนี้ใช่ได้คืออยากรู้ไปก่อนมีตัณหาถ้านอนเกเรก่อมีตัณหาจะรับตัณหา มีมานะเวล่ามานะมีทิจจิตเพ่อรับทิจจิตอย่างนใชได้แล้วก็จงใจปฏิบัติก่อแต่รู้ว่าจงใจอย่ตอนเรคลายออกมันพอดีถ้าเริ่มต้นจะทําให้พอดีตอคลายออกเลยหย่อนไปเลยเริ่มต้นตึงนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าไปคิดว่าถ้าบังคับไปตลอดหรือกําหนดตลอดแล้วจะทําให้บรรลุอันนี้ก็ใจผิดอย่างนี้มีปัญหาถ้าเริ่มต้นบังคับนิดนิหน่อยหอยมึ่งจะไคลายออกมัใช้ได้ เราชอบเป็นบังคับมันคิดว่าถ้าอรหันต์คือคนที่บังคับจิตได้จิตไม่เที่ยงทําให้เที่ยงจิตเป็นทุกข์ทำให้เป็นสุขจิตเป็นอนัตตาทําให้เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เข้าใจผิดอย่างไร้แรงธรรมะมันบอกไว้แล้วธรรมะป็นความจริงความจริงของรูปของนามอยูไม่เที่ยงไป็ทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไงก็ต้องไม่เที่ยงต้องเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่เราเข้าใจความจริงจิตใจของเราคล้อยตามความจริงไม่คล้อยตามตัณหา ใจไม่คือสัจจะไม่ือความจริงใจยังชอบืนธรรมแท้ๆฉะน้นตอนที่อริยมกรคเปิดจะมีอย่างอยู่ตัวนึงเรียกสัจจะรโลมิคยาอย่างคล้ายตามสัจจะคล้าาความจริงเห็นรูปเห็นนามและเเป็นอย่างนี้เลยไม่ไปต้านมันแต่ก่อนหน้านั้นอดต้านไม่ได้นะไม่เที่ยงอยากให้เที่ยงเป็นทุกข์อยากให้สุขบรรพก็ได้อยากบรรพก่ได้ คิดว่าถ้าบังคับมันได้หรือว่าเกิดขึ้นจากสุขสาวอนได้จะเป็นพะอรหันต์ธรรมะสาวอนผัดกับอนิจจังปัดกับทุกขงังบังคับไม่ได้ที่ว่ทําได้ปัดอนาตาเรียนเพื่อให้เห็นความจริงไม่ใช่เรียนเพื่อเอาชนะความจริง mm hmm. คนรุ่นหลังๆนี้จิตใจชักข้าวหามถูกสอนมาให้เอาชนะธรรมชาติอย่าเอาชนะนะจะไม่เห็นเอาชนะสักทีหรือ ต้อมันอยากไปเรืยๆมันได้อย่างนี้นะันมันเกิดผลจะครออีกเยอะแยะเกิดผลจะค้อไปตามแก้ผลจะครอบแต่ละตัวทาเกิดผลจะครออีกอีมเนูกินหารไปเรื่อยๆทุกวันนี้บริภูมิเยอะไปใช้ทปปรัพยากรเยอะไปอยากจะครอบกล่องโรคทโล ก, กปริภูมิไม่มากจะดีสระหลาดแล้วก็เกิดผลเสียนได้เยอะ การแก้ก็ไม่ด้แน่ก็เอาอย่างไรหลวงนัง่งพอเพียงรู้สบัดช่องเบาดีสบายขาึ้ น, น, น, น ส, สติเกิดเองเลยเลยตื่นไปจิตมือแะสติเกิดเองใจนั่งเโล่โด่งว่างนะสบายแล้วก็เห็นในแต่ละวันมีแต่ความไม่เที่ยงซึ่งไม่จิตใจทำ ง, งานทั้งวันทั้งคืน จิ่ใจทํางานทั้งวันทั้งคืนแสดงความไม่คงที่ให้ดูตลอดเวลาเขาซึกไว้บังคับมันไม่ได้บางครั้งความทเออเปเรื่ทุกข์ใช่ใความอยากก็จะได้เกิดความทุกข์ที่เกิดขงความทุกข์เนี่ยคนเราเข้าใจไม่เหมือนกันคนทั่วทั่วไปคิดว่าความไม่สมอยากทําให้ทุกข์นะอย่างเราอยากได้อะไรเราได้มาถือว่าไม่ทุกข์คนทั่วทั่วไปมอย นักปฏิบัติใเห็นว่าถ้าเมื่อไรอยากมันนั้นทุกมองไหมเมื่อไรอย่ากมันนั้นทุกนักปฏิบัติจะมองเห็นจึดตรงนี้เิืไปชาวบ้านทั่วๆไปชาวบ้านทั่วๆไปเห็นว่าถ้ามีความอยากยังไม่ทุกหรอกแต่ถ้าไม่สมอยากมันจะทุกนักปฏิบัติเห็นว่าแค่มีความอยากก็มีความทุกแล้วถ้าไม่อยากก็ไม่ทุกฝึกไปเรื่อยแล้ถึงจุดหนึงจะพบอีกอย่างจะอยากหรือไม่อยากขันห้าก็เป็นทุกเดยตัวของมันเองนะ ท่านเลยเริ่มจากตัวทุกเวลาเรียนอริยสัจขันธห้าเป็นตัทุกถ้ารู้ทุกแจ่มแจ้งตัณหาหรือสมุทัยก็จะหายไปเองดับไปเองตัณหาคือความอยากที่จะให้ขันธห้านี้มันเที่ยงนี่แหลยอยากให้ขันธห้ามันเป็นสุขอยากบังคับมันให้ได้มันเป็นความอยากที่ไร้เดียงสาบังอกไหมจิตจะมีสองชนิดจิต ท, ที่ปูกความอยากถูกความยกดชอบกับมีความสุกข จิตที่ไม่อยากไม่ยึดไม่ทุกข์หรือออกไมมีสองอันอันนี้เรายังไม่แจ้งปัญญาสัตว์ฝึกลปเอียดนะดีมาได้ค่อนต่างแล้วฝึกไปเรื่อยจุดหนึ่งปัญญาจแจ่มแจ้งจริงจิตนี้ตัวทุกข์นะจะอยากหรือไม่อยากจะยึดหือไม่ยึดขันห้าเป็นทุกข์โดยตัวของมันอยู่นะเห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์ปังทุกข์ปังก็ทุกข์ล้วนๆจิตจะปล่อยวาง แต่ถ้าระดใดที่มันยังเห็นว่าจิตมทีทุกข์บ้างสุขบ้างถ้าอยากให้ยึดแล้วทุกไม่อยากไม่ยึดไม่ทุกข์มันจะวิ่งหาความสุขหรือเปล่าไหมมันจะไม่เลิกกรอมันไม่ปล่อยวางมันยังมีทางเลือกราบใดที่ยังมีทางเลือกแล้วมันจะเลือกเอาสุขไว้ก่อนแต่ปล่อยวางไม่ได้เด็ดขาดเลยปล่อยวางได้มากแบบทุกข์มันซ้อมจนหลังชนกําแพงแล้วนะแบบต้องตายแน่นอนเลยมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยจิตจึงเรียบลอย แต่ไม่ใช่แกล้งภาวนาให้ตุกนะแล้วภาวนาให้ทุ ก, นะาาทกมันใช้ไม่ได้เพราะนั้นมันตุกกวีตนามถ้าเมื่อไราเห็นขันมันตุกหรือ ม, มันทิ้งทันทีเลยวางเองแล้วมีแต่ความสุขแล้วกัถามว่าใครสุขไม่มีคนสุขนะเจ้นไม่ผ่านเจ้ไม่มีเจ้าของของคนผู้หญิงเป็นไงต้ออะไ ร, ไาาราวัดละก้าไปก้า น้อเปรย์ยางอะไรอยงนี้ใช้ได้เรื่องวัดตะงนี้ใช้ไดิธีที่สติจะเกิดบ่อยๆก็คือต้องหันรู้สภาวะวิธีหันรู้สภาวะก็คือแรกต้องมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่อันหนึ่งเคร่องอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละอันหนึ่งอีกเครื่องอยู่เช่นรู้ลมหายใจตอนนี้ชอบลมหายใจรู้ลมหายใจไปทำให้ถนัดลมหายใจแล้วอยู่ในอะไรก็ได้นะอันหนึ่งจะอยู่แล้วไปสังเกตใจ จิตใจเดี๋ยวก็ว่งไปเดี๋ยวก็ไปเพ่งเหีือสุบเหลือวทุบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสังเกตใจไปเรื่อยพอสังเกตจิตใจได้อย่างนี้บ่อยๆจิตมันจําได้หรือเป็นอย่างนี้เพ่งเป็นอย่างนี้โลภโกรธหลงเป็นอย่างนี้สงสัยหดหู่เป็นอย่างนี้พอมันรู้จักนะสภาวะนั้นเกิดสติจะเกิดเองแต่ถ้าจิตยังจําสภาวะไม่ได้พอสภาวะอะไรเกิดขึ้นมาจิตจะถกถูกหลอกลวงจะถูกหลอกลวง เช่นความสงสัยเกิดขึ้นจิตจะไปวิ่งคิดหาคําตอบมเป็นไเวลาสงสัยปฏิบัตินี้ยอย่างนี้ถูกหรือผนะิดเนี้ยวิ่งไปคิดหาคําตอบเวลาเราโปรดใครสักคนเราก็ไปคิดถึงคนที่เราโปรธเวลาเรารักใครสักคนเราก็คิดถึงคนที่เรารักความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมามั้งแต่รักให้เราลืมตัวเองทั้งหมดเลยนั้นถ้าความสงสัยเกิดขึ้นรู้ว่าสงสัยหันหลังไปอย่าไปคิดมาก ไม่ต้องไปหาคำตอบนะโงโง่ไว้ก่อนไม่ต้องกลัวโง่นะปฏิบัติโง่โ ง, โงไบบ่ไว้ดีหันรู้สะภาวะไปซื่อซื่อรู้แบบเด็กไร้เดียงสาดีที่สุดนะรู้ไปอย่างเด็กซื่อซื่อเลยใจมันสงใจรู้ว่าสงใจไม่ต้องไปกลัวโง่แล้วไปหาคำตอบให้มันแต่มันอยากโง่บเรื่องของมันมชื่อเรื่องของเรานอะเราจะเรียนเจนเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เรียนเนกระท่งให้มันจริงอย่่าางวอย่างนี้ จิตใจของเด็กๆดีที่สุดนั่นแหละธรรมะจิตไม่เที่ยงหรืออกไหมไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั่นแหละธรรมะเราไม่เอาธรรมะเราอยากให้เที่ยงจิตมันมีทุกบ้างสุกว่างเราอยากให้สุดตลอดจิตเป็นของบังคับไม่ได้เราอยากบังคับให้ได้ความอยากของเราคือธรรมะธรรมะคือความจริง เรากำลังปฏิเสธความจริงใจเราไม่เข้าถึงความจริงเข้าถึงธรรมะแท้ๆไม่ได้ให้ค่อยดูการที่คุณเห็นว่าจิตทำงานทั้งวันทั้งคืนน่าจะีแล้วดีแล้วอย่าไปให้มันหยุดนะไม่ใช่ว่ามันต้องหยุดแล้วถึงจะดีได้เลยบาง้วยกับพิษตามันอยู่ในสัมพัชัญญาบักคับ กาย่านิาสัชนากระพิตาก็รู้สึกกัะพิบตาแล้วรู้สึ ก, สกแต่ระวังมันจะเกรงเกินไปนไมงเจนที่พอกระพิบบากๆในใจมันจะมาจออยู่ข้างหน้านัอยู่นี้แล้วงงง่ายงงง่ายทำกรรมานแล้วะที่ห่างห่างหัวเราหน่อยนะัสบายเสร็แล้วเราจะเห็นเลยอารมณ์อยู่นี่นะั่นใจอยู่นี่ก่างนี้สบายนะถ้ามาคิดๆอย่างนี้เหมเราเอาหน้าเราไปคิดกําแพงอย่างนี้นะไม่ค่อยสบายนะ ถามว่ารู้ปฏิตายได้ไหมได้แต่ไม่สบายหน้าหน้าทุกําแพงไว้ไมสบายเน<ม>ี่ยรู้ลมหายใจแล้วจะมารู้อยู่บนจมูกแล้วยังตึงๆหน่อยถ้ามารู้ลึกๆสงบจริงไปรู้ที่ท้องห่างๆหนยสบายไม่อย่าห่างจเลยตัวเราเองออกไปไใช่หายใจไปแล้วเราลึกอยู่บนคือทําได้เหมือนกันนะครูบาจารย์อาจามหาบัวเคยฟังท่านพูด ท่านบอกว่าท่านเป็นโรคปวดใจอะไหมอจีทำยาให้กินยาท่านนะเหมนเหนม็นทัเหม็นทั้งขมด้วยท่านบอกเวลาท่านจะฉัญญานี้นะท่านออกับจิตไปไว้บนขืน่อเนนี้ท่ฉันสบายแต่นี่เป็นผลของธมถมะครูบาอาจารย์ชำนี้ชํนานาญเรื่องสมาธิเรื่องอะไรท่านชำนิชำนาญท่านปริแปลงได้ตามใจชอบ แต่ท่านไม่ได้ทํำให้ความยิดติดอะไรหรอกแต่ท่านก็ไม่เห็นความจําเป็นจะต้องเป็นพรมานตอนคนไม่ได้นะต้องคนให้ดูลงไปเข้าไปแต่เน้นหมอสําหรับคนที่ยังเดินทางอยู่ชู้ตายเบอร์เจ็ดสิบเก้ารู้จักใจ้อยยังดีที่บอกว่าตัดเองนตัดใส่ใจอ่ะใจนุ่มนวลคืวบไม้ใจเรือดแข็ง ดูไปน้ามีแต่ของไม่เที่ยงไปดูไปหายใจไปแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงของใจคืออย่างนี้นะต่อไปเวลาเราไม่ได้เปิดหายใจเราอยู่ในชีวิตประจําวันตาเรามองเห็นความรู้สึกเปลี่ยนนิดเดียวนะสติจะเปลี่ยนเห็นแล้วเราก็จะเห็นเลยจิตที่เปลี่ยนแปลงทั้งวันเหมือนที่คุณเสื้อเหลืองนั่นบอกคุณพระดาจิตมันเป็นทั้งวันพระดาหรือพระดำ หลังมึพูดถึงพระดอนบ่อยๆอยเลยครับไอ้โมึอาคุณมอนเหลิี่จริงเห็นทุกคกดีนะเห ก, กนทกคดีเห็นว่ามีแต่สุกใ น, นอาการหนักนะุกมันเป็นภาพบนตาขันนั่เป็นตุก เราตั้งใจเยอะก็ฟุ้งเยอะหย่ทุกที่หลงพ่อบว่าเห็นต้องดีเนี่ยไม่ใช่ทุกจากการที่เราไปเครียดจากการปฏิบัตินะทุกอยนั้นทูกสร้างขึ้นเองการที่เราเห็นผันหน้าไปทุกเข้าเชิญเชิญไปข้างในไปมาจากไหนทหาเรื่องทหารที่ม้จีบจุกจั่ือยำมากแล้วเห็นเราสมใจสอง เป็ซ้าอมอารักขาพระปิฏฐบัติก็ไปอยู่ฝั่งนั้นวันหนึ่งตูบานอาคาพระปิฏฐบัตอาหารเข้ามาล้อมหน้าล้อมหลังหรือจะมากือบจะตื่นวัดพักโคตะโนเฮ้ยปีวัดต้องไปอารักษาพระปัญญูพระาัญญูแตถูกเข้าจงศีวันนั้นไม่รู้ถูกจงศีลไปหรือเปล่าไม่มีคนอารักขาไม่อารักขาพระนี้พวกจงศีไม่เหมา หน้าตกันญลำบาต้องไงคุณอมรไม่ต้องทาอะไรดูไปเรืยไปอย่างที่มันเป็นรูเรื่อยบ่อยที่ทาอยู่ใช้ได้คุณผู้หญิงเลนมากไหนคือผ้อาอุ้มพัรัตน์สีกขดตอมาที่อยู งอ oh. right. ี sure, <t ip> <t ip> <t ip> yes. ่รส่ดีอยากให้เนก็ดีนะแถ้าวนั้นที่รู้กจะนนจะมองแต่งหน้าข่หอะไรี้ามีหน้าที่แต่งก็แต่งไปคือจริงๆเราต้องโฆษณา ศาสนาพูดเหมือนกันชาวพูดด้วยเขาทำตัวที่จนที่สุดโสมที่สุดอะไรเงี้ยคนอื่นเขาก็ไม่อยากมาเป็นชาวพูดนะ <c oughs> เป็นชาวพูดต้องโฆษณาต้องมีความสุขภาวนาแล้วมีความสุขเป็นจุดขายได้นะใครๆเข้าใกล้เราก็รู้สึกมีความสุขไปด้วยอย่างนี้ดีเขาจะได้อยากปฏิบัติถ้าเข้าใกล้เราแล้วก็เต็มไปด้วยความเครียด น, นะที่นี่ใครก็อยากปฏิบัติยิ่งเธอทําทตาลอยทั้งวันนะเดิน ไครเขจะเข้าใกล้อ่ะเนื้อหน้ากลัวแล้วเป็นหลวงพ่ออยู่ก็ต้องระวังแล้วนะเดี๋ยวมันดกกัดงั้นชาวพุ๊ดไม่จะเป็นต้องทํำโกลมล ม, มีหน้าที่เราก็รู้ว่านี่มันแต่งนี่มันหลอกแต่งหลอกๆไปตามหน้าที่อยากปฏิบัติเนะต้องรู้ก่อนเคาว่าปฏิบัติแปลว่าอะไรปฏิบัติไม่ได้แปลว่าทํานะคนไทยแปลเอเองว่าปฏิบัติแปลว่ารำ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 คืออยู่ที่ไหนนะก็คือตามองเห็นหมู่ได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสชาตสัมผัสใจคิดเหมือนกันหมดเลยถึงเลยไปอยู่ต่างแดนมันก็เปลี่ยนแค่ผัสสะภายนอกรูปเปลี่ยนสีลดกดสภาพภายนอกที่เหลือมัสงติดตัวเราไปเองตาหูจมูกลิ้นใจใจเป็นของเก่าติดเยอะติดตัวไปเราั้นผัสสะอะไรเกิดขึ้นนะให้รู้ทันใจของเราไว้ ไปอยู่ต่างแต่ก็ดูใจไปการที่เรามีสติรู้ทันใจตัวเองนะศีล ส, สมาธิปัญญามันจะเกิดขึ้นศีลที่เกิดขึ้นเรียกว่าอินเตียสังวรศีลไม่ใช่ศีลห้าศีลแปดนะไม่ศีลห้าศีลแปดศีลสิบอะไรเนะี่เป็นศีลเชิงจริยธรรมแต่ศีลของนักปฏิบัติเนี่ยเรียกว่าอินเตียสังวรอนินเตียสังวรไม่ใช่แปลว่าไม่ดูไม่ฟังไม่คิดไม่ใช่ ดิจิยาสังวรจะต้องใช้หลักที่พระเจ้าบอกดูก่อนที่สุดทั้งหลายเมื่อตาเห็นรูปเห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นไม่ใช่ว่าจงหลับตาที่สุดทั้งหลายหลับตาไวา้ไม่ได้สอนอย่างนี้นถ้าหลับตาแล้วบรรลุเร็วคนตาบอดจะ บ, บรรลุก่อนเราที่สุดทั้งหลายเมื่อตาเห็นรูปเห็นเข้าไปความยินดียินร้ายเกิดขึ้จิต<ม>อย่าไปห้ามนะความยินดียินร้ายเกิดขึ้นมาให้มีสติรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะปัอบงำเรา ถ้ารู้ทันปัญญาจะเกิดเมื่อกิเลสกับปัญญาเข้ามาช่องเดียวกันตามมองเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดที่จิตรู้ทันก็จะเห็นเป็นความยินดียินร้ายกูตัวหน้กูตัสุขทุกขทั้งหลายเกิดระดับที่ปัญญาอยู่ตรงนี้ทุกอย่างเกิดระดับที่สูตรทั้งหลายเมื่อบุได้ยินเสียงความยินดียินร้ายเกิดที่จิตไห้มีสติรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะครอบงจิตหลักเดียวทัน อันตะวันทั้งหกนะเมื่อใจมันคิดใจมันคิดบางทีงก็เกิดยินยีหายนายเกิดสุขเกิดปุสนอันปุสนก็รู้ัลมันอยู่อย่างนี้แหละไม่มีในประเทศนอกประเทศเนะ <c oughs> มีแต่ว่าศาสนาจีนนี้มีสติหรือศาสนาจีนนี้ขาดสติมีเท่านี้แหละถ้าขาดสติก็อานปุสนเกิดก็มีสติปุสนก็เกิดปุสลบางงานก็ปุสนธรรมดาปุศลบางงานก็เป็นปุสลประกอบให้ปัญญา กุศลประกอบด้วยปัญญาถึงจะดีเหมอนทวิปัสสนาคุศลธรรมดาธรรมดาจะ่ไม่ทำธรรมะเก่งๆไหมก็ดีเหมือนกันดีแบบคนดีไอ้ลอยละเบิ 79, ร์เจ็ดสิบเก้าทราบไหมอา่ง น, นี้นะั้นมาเรียนที่หลวงพ่อนนะเมื่อวานนี้มีผู้หญิงทีมหนึ่งมาเมื่อวานวันอันสุคุปถามิตมาเมื่อวานทีมที่วพุทธมาบอกว่า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 เช่นแต่เราฟังแล้วงงงงรู้สึกไหมใจมันงงเทค่รว่างงถ้าดูสภาวะถ้าดูสภาวะเป็นปฏิบัติกรรมฐานเป็นถ้าดูสภาวะไม่เป็นเนี่ยปฏิบัติไม่ได้จริงได้แต่สมถะนับปฏิบัติส่วนมากติดสมถะใช่ไหมเพิ่นกำลังหลงเลยรู้สึกไหมอ้าเรียนสภาวะเนะเมื่อสี่ทำอะไรแล้วหลงไปแล้วนะรไม่เป็นไรคนนี้ใช่ได้แล้ว จิตใจรุ่มนวลอ่อนโยนรู้ตื่นขึ้นมนเทียวดยันสึ่งไหมมันสงบเบาๆใช่ไหมมันสอนธรรมะเราแต่อยากปราคับฉันเลยมันคับไม่ได้หรอกเว้นฟังหลวงพอพูดนะฟังเพื่อหัดสังเกตสภาวะแต่ไปคิดอีกแล้วทราบไหมยนเจ็สิบเก้าหัดดูสภาวะนะ ถ้จิตมันจําสภาวะได้สติจะเกิดทำไม่หลวงพ่อชอบไล่จี้ตอนเผลอหลวงพ่ออยากให้จําสภาวะเผลอได้เผลอไปคิดนี่แหละตัวดีทำไม่อยากให้จําสภาวะตัวนี้เป็นพิเศษเพราะสภาวะเผลอไปคิดที่เป็นสภาวะธรรมที่เกิดบ่อยที่สุดเราลองแยกๆลองวิเคราะห์หน่อยในสภาวะธรรมทั้งหลายกุศลกับอกุศลสังเกตไหมอกุศลเกิดบ่อยกุศลเกิดน้อยนะ ถ้าภาวนาเป็นจะรู้เลยจิตของเราส่วนมากจะเป็นอัตุส่นแต่ถ้าดูไม่เป็นภาวนาไม่เป็นจะรู้สึกว่าใจของเราเนี่ยเป็นช่างใจบุญใจกุศลสุดเกินเหานี้ช่างดีเสุดเกินแต่ถ้าภาวนาเป็นจะรู้เลยนางแม่มดตัวจริงอยู่ที่ไหนใช่ไหมร้ายมันหมอหรือบอกไหมตัวจริงเลยนะตัวจริงคืออัตุศ่นเกิดบ่อนอัตุตนก็มีโรคหลงหลงเกิดไวที่สุด เพาะหลงเนี่ยเกิดเดี่ยวๆก็ได้เกิดตัวคนเดียวนะเช่นนั่งใจลอยเลื่อนลอยไปไม่รู้กายไม่รู้ใจเรียกหลงหรือคิดโล่คิดนี่ไปเรียกหลงส่วนความโลภความโกรธเนี่ยมันเกิดตามหลังความหลงไม่ทีความโลภกับความโกรธเนี่ยจะไม่เกิดเดี่ยวๆต้องเกิดร่วมกับความหลงเสมอเพรฉะนั้นเวลามีความโลภในขณะนั้นต้องหลงด้วยเวลามีความโกรธในขณะนั้นต้องหลงด้วย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 เช่นยุงมากัดเราแล้วเขมาดูยุงไหนโมโหมันละเห็นแต่ยุงลืมรู้ว่าใจเรากำลังโกรธอยู่เพรว่าเราลืมตัวเราเองเั่นตาหูจมูกริ้นกายกระตุกกระดเราลืมไปนั่งอยู่คนเดียวก็นั่งคิดไปรู้เรื่องที่คิดแต่มันก็ลืมกายลืมใจมึงออกไม่เห็นขนาดนี้ยนีไปคิดใช่ไหมเมื่อกลี้ยแวบแต่เกลียยพอมันไปคิดรู้สึกไ้มมันลืมกายลืมใจ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 ความจริงก็คือหลงทางใจเท่านั้นพอหลงไปดูนะั้นใจก็ไปคิดต่อก็ไปหลงคิดหลงไปฟังใจก็คิดต่อแต่จริงแล้วตรงที่ตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลินล้นได้รสกายสัมพันไม่มีกุตสนะปุตสน์ะะอะไรมันทํางานอัตโนมัติเองจิตที่ไปรั่วารมณต่างๆหงจมูกลิ้นกายเรียกจิตที่เกิดกด้วยอุบัติเหตุมีคำประหลาดเวยนะเรียกว่าเกิดด้วยอุบัติเหตุ คือเกิดขึ้นไปอย่างนั้นไม่ได้เกิดเพราะว่ามีราคะาโกรธโมหะหรืออุศนใดๆตักด่นรู้สึกไหมใจหนีแวบบแวบบแวบหบลุดแบบไหมนี่หัดดูนะมาที่นี่มาเรียนเรื่องสภาวะไม่ได้เรียนเรื่องอื่นหรอกเสื้อตี้ชมพูเบอร์ห้าสิเอ็ดนัําลังทําอะไรอยู่กําลังหลงฟังอยู่รู้สึกไหมขณะนั้นเราลืมตัวเราเองหลุดไหมเนี่ยเรียนที่นี่นะหัดดูสภาวะไป แต่็แล้วสภาวธรรมเนี่ยมันจะสอนธรรมะเราเองสภาวธรรมทั้งหมดจ ะ, สะแสดงไตรลักณแสดงความไม่เที่ยงสแสดงความเป็นทุกข์สแสดงการทนอยู่ไม่ได้ได้ลอยไปอีกแล้วทราบไหมได้แอบไปคิดรู้สึกไหมขณะที่มันไปคิดหรวอออกไหมเราลืมตัวเราเองขณะนี้จิตเกิดความสงสัยอยากรู้ขึ้นมาทราบไหมเนี้ยหัดดูของตัวเราเองนะเนี่ยหัดอย่างนี้หัดดูของจริงในตัวเราเอง ถ้าดูเป็นเราก็จะภาวนาเป็นในของจริงที่เราไปเห็นเนี่ยมันสอนธรรมะเราตลอดเวลาไม่เคยหายไปไหนเลยนะเราะนั้นพวกเต็งพวกมหายานเนี่ยชอบพูดพบอกพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่ตลอดเวลาในจิตนี้ได้แสดงธรรมตลอดเวลาเลยแต่เราไม่ได้เงียบหรฟังเพรานั้นถ้าเราเปิดใจขึ้นมาเราก็จะได้ฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงตลอดเวลาในจิตนี้แหละแสดงธรรมเดี๋ยวจิตก็เป็นกุศลแสดงเรื่องกุศล เดี๋ยวก็จิตเป็นหนักกูสนแสดงเรื่องอักูศนเห็นไหมสอนธรรมทั้งหมดเลยเสร็จแล้วท่านก็สอนต่อไปอีกนะว่ากูศนก็ไม่เที่ยงอ่ะกูศลก็ไม่เที่ยงเห็นไหมนี่จิตเราแสดงธรรมะให้ฝังจิต น, นี่อะไรคือพุทธะเพราะั้นทางฝ่ายมหา ย, ยานชอบพูดบอกว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่ตลอดเวลาเขาก็ดีเหมนันนะแต่ว่าเอาเอาธรรมะเนื้อหาของธรรมะไปปลอมไปดัดแปลงใส่เปลือกเข้าไปใส่สัญลักษณ์ก็เป็นใส่สั ญ, ญลักษณ์ เพ่ให้คนทั่วไปฟังแล้วทราบคลึงๆอกคึ ง, งใจถ้าเราพูดว่าจิตแสดงธรรมตลอดเวลาฟังวงงๆฟังแล้วก็ไม่ค่อยอยากสนใจน ะ, จะบอกเราก็พรเจ้าจแสดงธรรมทั้งวันทั้งคืนเหมือนน่าสนใจเป็นพิธีหลอกๆรอบๆก็เ ข, ข้ามารู้สงอีกแล้วรู้สึกไหมใจมันดีไปบังคับตัวเองแล้วทราบไหมมาเรียนนะจะพาว่าผู้แรกที่เขา่อนเสริไปกับบังคับไว้ นั่นปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่เคยก็บังคับยิ่งเป็นนั่ปฏิบัติฝีมือดีก็คือพวกบังคับเก่งบังคับไว้ก็คื อ, อตา่อางๆกีฬาสถานุโยกบังคับกายบังคับใจไม่เกี่ยวอะไรกับมรรคผลนิพพานแต่ชอบทาที่สุดเลยเบอร์ห้าสิบเอดนรู้จักใจลอยอยังนึก อ, ออกไหมว่าวันๆใจเราหนีไปแบบนี้บ่อยๆถ้าถ้าถ้าถ้ถถามองเห็นนะว่าใจเราหนีไปทั้งวันทั้งวัน เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อพูดอย่างหลวงพ่อชับพูดได้ื่อยในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวมีแต่คนหลงบางคนถามว่าหลวงพ่อใส่ร้ายป้ายสียพระอะไรใส่ร้ายป้ายสีแบบภาวนารู้สึกตัวเป็นเนี้ยเราจะรู้เลยเราหลงทั้งวันหลงอีกแล้วทราบไหมมันลืมตัวเองใจมันมันอยู่ที่หลวงพ่อนขณะ น, นี้ใจเกิดความงสงสัยทราบไห ม, ไมเราไม่เห็นเลย เ, เราเว่อร์แต่คิดคิดคิดไปใหญ่ใจงใสงสัยเราไม่เห็น ม่วตั้งใจฟังเรา ไ, ไม่ถึงเหมือนกันาการคิดไป ก, ก็คือหลงแบบหนึง่งเป็นแบบหนึ่งของการหลงไปเพ่งเอาไว้ก็หลงนะเรียกให้เป็มก็ชื่อเรียว่าหลงเพ่งหนึหลงเพ่งหลงกําหนดหลงควบคุมบังคับหนึ่งหลงกั้ ง, ง, ง, ง, น, ง, ง, ง, งนั้นแหละเวอร์สีหลงแล้วทราบไหมคุณบรรณาเป็ น, ใ น, ในยังไงวันนี้ ลลหงงงลงยังหลงไปอยยังหรยอไมหลงเยอะไหมยบบเยอะ้บ่อยเออบ่อยดีรู้อยังว่าหลวงพ่อไม่ได้แกล้งว่าชีวิตเราที่ผ่านมาหลงตลอดเลยดีแล้วรู้สึกไหมพอมีสติจิตก็เป็นสุนนะจิตอ่อนโยนจิตเบาจิตนุ่นนวลจิตห่องไวไม่ซึงไม่ทึ้ เอออีกแล้วทราบไหมหันดูใส่หน้าห hmm. ันแล้วนี่ล่ะเสื้อส <c oughs> ีส้มใบไม้อย่าบ <c oughs> ้านอยู huh. <think> ่แถวนี huh. <c oughs> daughter, ้อยู่เป mm ็น hmm. ช uh ั่วพิลล็อกน้ดไปเรียนที่หัวหินนั่นเหไปซะบ้าสิอยู่ประจวบมาเรียนเมืองชนใจไปอ่าพี่หัวหินก็มีร่าดีนะ ชื่อหลวงพ่อมนตรีอัสโล่เดต้องอัดใส่เทปไปให้ท้านฝังเพราะท่านอันอดไปโฆษณาอย่างนี้เรื่อยคนไปหาท่านเยอะนะท่โน่ไปหาหลวงพ่อปราโมทเมืองชนละดีก็มีนะแต่จินตันดูสำนักสงฆ์คนเดียวว่างเป็นต๊อบละดีโยมเป็นเงินบ้างหาลุกสาวมาเด็กเกมันจะเดีนเร็วลูกเ ด, กเ ด, กเดก หัวใจของเด็กนี่นะเป็นหัวใจที่พร้อมสําหรับการเรียนรู้หัวใจของผู้ใหญ่เนี่ยเรียนรู้อะไรใหม่ๆยากเพราะเด็กๆเวลาแั่งเกณฑ์เด็กเล็กๆเวลามันสนใจอะไรมันอยากรู้เท่านั้นมันไม่ได้อยากอย่างอื่นเวลามันสนใจแั้วอยากรู้ส่วนผู้ใหญ่เนีอยากดีอยากอะไรที่แปลกมากเลยอยากดีอยากถูกอยากโนนอยากนี้เยอะ ผู้ใหญ่แล้วมีลักษณะคล้ายๆชาล้นกล้วยหรือชาเกือบๆล้นกล้วยมีข้อมูลเก่าเยอะดังนั้นจะเรียนสิ่งใหม่ๆได้ช้ากว่าเด็กเห็นไหมเด็กจะเรียนรู้อะไรได้เร็วมากเพราเด็กเรียนซื่ๆผู้ใหญ่เวลาฟังอย่างฟังหล้าพ่อพูดจะต้องเทียบไปด้วยไปเรียนวัดโน้นว่าอย่างนี้ว่านี้ว่าโน้นตำลาเล่นนั้นว่าอย่างนี้คิดอยู่แคไหนไม่เข้าใจหรอ มันไม่ต้องฟังให้เข้าใจนะหันรู้สภาวะไปแล้วก็เข้าใจเ อ, เองหลงพ่อไม่ได้สอนธรรมะธรรมะสอนกันไม่ได้ธรรมะต้องไปเห็นเอาเองเบอร์แปดสิบเก้ารู้จักใจลอยยังเออเก่ง okay. มาบันแรกรู้จักใจลอ ย, ยนะไม่ขัดคุณแนละ้วใจลอยไปอีกแล้วทราบไหมหันเด็งนี้นะหันรู้สภาวะไปเรื่อย เ, อยเด็กนั่นอาูุกี่ปีแล้ว แอบกลบกล้าไหมกล้าคุยกับหลวงพ่อไหมกล้าเลยเนาะโอเด็กคนี้เจ๋งนะเคยรู้สึกไหมแต่ละวันรับแม่ไม่เท่ากันบางวันรับมากบางวันรับน้อยหรือว่ารับเท่ากันทุวันเท่ากันทุกวันโอ้นี่โฆษณาชวนเชื่อกลัวแม่เสียใจเคยถูกแม่ดุไหม หรือแม่คนนี้ไม่เคยดูเลยเออเวลาถูกเออมีห น, น้าหลาเลยรักแม่มากเวลาถูกดูเนี่รู้สึกยิงในสดชื่นไหมเวลาถูกแม่ดูไม่รู้สึกเลยเหร อ, อนแสดงว่าแม่คนนี้ไม่ค่อยจะดูเลย <c oughs> <c oughs> มีเด็กคนนั้นสิบเอ็ดขวบนะแม่คำตอบ โชวช์โชว์โชว์โชแล้วผู้ใหญ่ฟังแล้วกลัวเลยนี่เล็กไป น, นิดทมไมพุทธการไม่รู้ท่านสอนกันยังไงเนี่ยเจ็ดขัวคร้าข้อตรงกันบ้านนะอะไรนะนิดหน่อยงั้นต้องให้แม่ดูเยอะๆอี้ทีเห็นชัดๆเพราะว่าอะไร น, นะ หรออ๋อดูหน้าดู่ก็เสียใจเด็กรู้จักคำว่าเสียใจเห็นไหมนี่ก็สภาวะคำนะมีจริงธรรมะไม่ใช่เรื่องรึกลับะไรความรู้สึกทั้งหลายความรู้สึก ด, ดีใจเสียใจรุ่มใจคนโบราณมีคาว่าใจใจทเรียกนะคนไท ย, น, ย, ยนี่เก่งประณีตในเรื่องการดูจิตมากหลวงพ่อ เ, เคยรวบรวมคําศัพท์ที่เกี่ยวกับความรู้สึกนี้ได้สองร้อยกว่าคำ ตอนอยู่สวนปัวนักศึกษานั่งเปิดก็จะ น, น, ๆๆๆนะั่งร ว, วมๆไว้นะแล้วไปคุยบ่นก็มีโยมขอดูนะเลยเอาไปเลยหายไปเลยไม่รู้ใครดีใจเสียใจขุจ่นใจกังวลใจกลัวเป็นสุขใจเป็นทุกข์ใจอิจฉาอาฆาตพยาบาทนะแค้นใจมีเยอะมากเลยรึ้ใจนะมีเยอะนักเลย ลองนั่งให้คิดคนละคำรู้คิดได้ทั้งวันเยอะความรู้สึกทั้งหลายตอนเนี้ความรู้สึกอะไรกำลังเกิดไปรู้ไปเรแค่นี้แหละไปรู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆแล้วความรู้สึกทั้งหมดแสดงใจรักเองเช่นไปถูกหวยมาดีใจดีใจแต่เดียวๆก็หายมีความสุขแต่เดียวๆป้าเป็นหงป้า มันไม่เ็นไม่ใช่ตัวเรามันเคยเกิดแล้วต่อไปมันจะขี้ขี้ขึ้น สึกเลเลยจะไม่มีความรู้สึกเป็นตัวเราสักนิดเดียวเลยในกายในจิตนี้ไม่มีเราสักนิดเดียวดีละพอ่พอพอ่อพนาดีหน้าที่นะหันรู้สภาวะไปเรื่อยๆูไปเออเออ เออสบายใจเออนี่แหละเมื่อวานมกับหลวงพ่อต้องต่อบอกว่าหลวข้อทำกรรมฐานกระทั่งการฉีแต่ไม่ได้ใช้ฉีในวิหารธรรมนะเพราะไม่มีปัญญาจะฉีตลอดเวลาอตอนทำงานเนี่ยโอ้หัวหมุนชิ้วแล้วคิดอะไรไม่ออกนะเด็กตัวเองด้วย ก, การทาเดินไปห้องน้ำตอนลุกขึ้นมาเนี่ยเห็นร่างกายเคลื่อนไหว ดูจิตยังไม่ไหวม่วนซัวไปหมดแล้วสังเกตเลยเวลาเรานั่งตุ้งี่อยู่เวลาเราจะลุกเนี่ยสิ่งแรกที่เราขยับคือมือขยับมือก่อนนะแล้วถึงจะไปขยับตัวขยับขาอะไรเดินไปห้องน้ําเห็นร่างกายเดินขนยยี่ขี่ยงเห็นร่างกายยืนฉี่นะฉี่ไปนิดๆหน่อยๆเริ่มสบายใจนี่กลับมาดูจิตได้แล้วตอนเดินกลับมาก็ทํางานนี่ดูจิตกลับมาได้ละนั่นแหละเห็นไหมกรรมฐานไม่เลือกนะเวลา ทำอะไรได้หมดเลยเราเริ่มรู้สึกข ok ้างนอกเป็นทุกข์นะข้างในเป็นสุขแต่ก็ถ้าเกดชอบข้างในต่อไปต้องแก้ละแต่ตอนที่ปล่อยไว้ก่อนไม่เสมอภาคกันมันยังไม่เสมอกันแต่ยันนีโลกนะ การที่เราเรากระทบอยู่กับโลกเนี่ยขัดจังเนี่ยเป็นทางมาของกิเลสก็จริงนะแต่ปัญญาก็มาทางนี้นะเพราะนเราไม่หนีเราก็อยู่กับโลกได้กระทบอารมณ์ไปแล้วก็รู้ของเราไปเหมือนเราไปฝึก ด, ดูของเราอยู่ทั้งวันอยู่กับโลกไปถ้าหนีหนีไปเลยไม่ดีอะไรติดตังค์คดโกอะไรเนี่ย <c oughs> S <S เอออย่าไปสอนอย่าเพิ่งไปสอนให้รู้แค่ว่ามันทำงานของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราเกิดเกิดจับดับของมันเองดูแค่นั้นก่อนเะบางคนพอไปพูดทรรมะจิตเสียเลยพาคนเสียตั้งนานเลยเราตัวรอดก่อน้าเบิร์ารดสิบสามวันนี้พกักได้มาบ่อยๆดีนะ คือตอนสุดที่จะมาให้รู้ทันชอบแล้วตอนเริมสติปัญญาได้ค่ต้องฝองภาวาองพอเร่มสติเกตัองก็เริ่มทำตัวเองแบบนี้นเองดีนันนี้ที่ภาวนาอยู่้ได้มันภาวนากันมาช่วงหนึ่งแล้วถึงสุดที่สติเกิดเอเกิดได้เองสติเกิดเ้งใจไม่ได้ไปทำอะไรใจเป็นคนดูนั้น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 คนนี้ถ้าจะลําบากนะอย่างบางคนเรารู้ชีวิตเขาลำบากมากเลยเขาก็เลยอารมณ์ร้ายมาระบายใส่เราเเอะไรพอใจมาสงสารนะมันเมตตาสงสารแล้วมันไม่โกรธละ้ะหรือสู้ไม่ไหวก็เดินหนีไปนี่อย่างโรคๆนะเดินหนีไปอย่างเจริญเมตตาขึ้นมาอะไรนี่เป็นสมถะอีางานนึงใช้วิปัสสนาดูความรู้สึกโกรธที่เกิดขึ้นจะเห็นอะไรความรู้สึกโกรธเป็นสิ่งแปรปลอง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 พอความโกรธเกิดขึ้นมาก็โกรธเนาะโกรธเอาะให้หายไม่จําเป็นหรือพูดโธพูดโธให้หายไม่จําเป็นเราดูของจริงว่ามันจะหายไม่หายก็ดูของจริงอย่าไปคิดมันอย่าไปคิดไม่ความโกรธเกิดขึ้นหรือความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นเหมือนกันรู้ไปเรื่อยๆเขาคือครูของเราทั้งหมดเลยครูสอนก็เป็นครูนะครูสอนก็เป็นครูสอนใจรักเท่าๆกันเอาโยมผู้หญิงนะั่นไปส่งกันบ้านทุกครั้ง เอาเสนหน่อยคนสุดท้ายครับอือดูความเปลี่ยนแปลงไปเนะอ่ออยา่าไปหยุดอยู่กับอันแทนิหนึ่งดูความเปลี่ยนแปลงไปงอย่างตายเนี่ยจริงจริงก็เป็นกองกระดูก มันก็เห็นถูกเหมือนกันแต่ไม่ใช่น้อมเข้าไปให้มันนิ่งนะเดี๋ยถ้ามันเห็นเองไม่เป็นไรแต่ถ้าน้อมไปพิจารณาเป็นกระดูกระเดิงอะไรเป็นสมถะแต่ต้องสังเกตนิดหนึง่งระวังนิดนึพอที่ใจเรามันไปรู้ไปเห็นสภาวะอะไรตรงที่เบาๆนี่อย่าไปหลงติดกับมันถ้าใจเราไปเพลินหมึกลับความเบาๆตรงนี้จะติดสมถะเลย เพราะฉะนให้มันเคลื่อนไหวให้มันกระทบเพราะฉะนั้นอย่างเราดูกลายเป็นกายเป็นกระดูกนี่เป็นสมถะแต่ถ้ามันเป็นความรู้สึกว่านี่มันเป็นก้อนอะไรก้อนหนึ่งนะมันไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกอย่างนี้ใช้ได้แต่ถ้ารู้สึกเป็นกระดูกแล้วใจแล้วเบาเ บ, า บ, าบานี่เป็นสมถะอย่าเบาเบานึกปกติเสร็จแล้วเราต้องมีติดให้ตัวเบานี้มาถ้าอย่างนี้จะเป็นติดสมถะได้ แต่ถ้าดูมักายที่กองอยู่นี่มันไม่ใช่ตัวเราเลยนะเป็ความรู้รสึกรู้สึกอยู่แล้วแต่นี้ยมันเป็นกองกระดูกแต่ใจไม่น้อมเข้าไปหาความเบาใจเป็นสกตินให้ดู ด, ดูอ ย, อยู่ดูไปไม่มีตัวเราสังเกตความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าความรู้สึกแต่ละวันไม่เปลี่ยนแปลงเลยเนะี่ยเป็นสมถะแน่นอนระวังตรงนี้ก็กนนะ ดูความเคื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะเดีย่ยไปเกาะนิ่งๆกัะดวงดวงนั้นมันจะมีหรือไม่มีช่างมันเมื่เดีจะติดสมรรถะติดใกล้จะติดสมารถะละเริ่มน้อมเข้าไปหาดูออกไหมไปหาความสุขความสบายนัแะั้นะนะมันเริ่มสบายแล้วมันไปพอใจเขา้าให้ดูตรงนี้นะเดี๋ยวไปต่อไม่ได้เราจะติดอยู่แค่นี้ดีละ ดีแล้วนะได้ขนาดนี้จริงๆขนาดนี้ไปสุขปีนสบายๆ <c oughs> แลยแต่จะเอานิปป่านเนาะอางยังเข้มแข็งไว้อย่าติดแต่ความสุขเอาวันนี้เชิญยกกลับบ้าน